ภาคปฏิบัติจึงเป็นความสำคัญมากทางด้านปิยัตเราเรียนโดยลำพังก็ได้อ่านก็เข้าใจแต่ภาคปฏิบัตินี้แม้เราเรียนมาแล้วทางด้านปิยัตจะนำมา เป็นเครื่องดำเนินด้วยความสนิตใจหายสงสัยไปโดยลำดับอย่างนั้นไม่ได้เพราะการเรียนมานั้นเป็นความจดจำย่อมไม่พ้นจากความมาดภาพคิดคาดคเนดุนเดาไปส่มสี่สูมห้าซึ่งไม่ใช่หลักความจริง แการปฏิบัตินี้เพื่อหลักความจริงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นพอเริ่มปฏิบัติก็จะเริ่มเห็นความจริงเข้าไปเยังจ่อสติเข้าสู่จิตซึ่งเป็นบอกเกิดแห่งเรื่องราวทั้งหลายก็จะทราบเรื่องราวทั้งหลายแม้จะ ไม่สามารถบังคับหรือถอดถอนเรื่องราวอันเป็นส่วนที่เหล็กนั้นได้ก็ตามแต่ก็ทราบว่านี่ก็คือความจริงอันที่แสดงออกมาอยู่ไม่หยุดหยอด่อนโดยความคิดกลุ่มเรื่องราวต่างๆทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันรุ่งไปหมดเมื่อมีสติก็ทราบ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 ที่จิตต้องจัดต้องทำอยู่ตลอดเวลาโดยไม่เป็นตัวของตัวเลยมีแต่ถูกสิ่งบางครับคือสิ่งที่เหนืออำนาจของจิตนั่นึ่งจนมองไม่เห็นจิตทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่นี้คือจิตแต่สิ่งที่แฝงความบูรคือจิตนี้นั้นจิตไม่สามารถจะมองเห็นได้เลยเพราะถูกสิ่ง น, นั้น ครอบงำหรือปิดบังเอาอย่างมิชิดเมื่อจอสติลงไปก็ทราบการแสดงออกของสิ่งนั้นๆโดยลำดับแล้วก็ปฏิบัติตามอุบาวิธีที่ครูอาจารย์เคยแนะนำสั่งสอนเช่นพยายามทำจิตให้สงบด้วยจิตตะภาวนา ในภาคสมถะเป็นต้นเราก็นำทรรมที่ท่านสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติบางคับจิตให้อยู่ในงานที่ทำนั้นโดยเฉพาะจิตจะเริ่มปรากฏเป็นความสงบเห็นใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นความจริงนัหนึ่งที่จิตได้ ทำหน้าที่เองและได้เห็นผลที่ปรากฏขึ้นจากงานของตนอย่างประจักใจเป็นลําดับลําดา <c oughs> และเมื่อปรากฏผลขึ้นมาอันไม่เป็นที่แน่ใจก็จำต้องปรึกษาแต่ถามครูวาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจและท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ที่เลย ผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองการแนะนำสั่งสอนอุบายก็ถูกต้องแน่นยัางไม่ผิดพลาดไม่ให้เสียเวล่ำเวลาและไม่ทำผู้มาศึกษาแต่ถามหรืออบรมนั้นให้เสียไปด้วยนี่ภาคปฏิบัติจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มาศึกษาจะต้องมุ่งหาครูหาอาจารย์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 ไม่มีสงสัยพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดได้เต็มอัดเต็มทมเต็มขั้นเต็มภูมิของธรรมขั้นนั้นๆจนทะลุบุพพรมไปหมดผู้ฟังก็ฟังได้อย่างเต็มใจโล่งใจหายสงสัยแม้ตนจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจก็หายสงสัยในภู ว, วาติท่านสั่งสอนนั้นเป็นที่แน่ใจเพราะ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 ท้ามาสอนกันแบบสุ่มสี่สุ้าจะสอนเฉพาะจุดสำคัญสำคัญของผู้มาศึกษาอบรมที่ควรจะรับในเวลานั้นเท่านั้นครั้งพุทธการท่านสอนกันอย่างนั้นหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงประธานพระโอวาทาเสียอีก สสาวกที่เป็นครูป็นอาจารย์ของคนบุตรทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมกับท่านซึ่งร้วนเป็นความแน่ใจของท่านออกมาจากใจจริงสอนก็เป็นที่มั่นใจเป็นที่แน่ใจสําหรับคนบุตรที่มาศึกษา <c oughs> เพราะฉะนั้นผลจึงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือผลได้มากต่างกัน กับสมัยปัจจุบันนี้จนเทียบกันไม่ได้เทถึงโทษก็ให้เห็นโทษอย่างถึงใจตามหลักความจริงไม่ผิดเพีย้ย <c> น <oughs> เพราะท่านได้รู้โทษเห็นโทษมาอย่างนั้นจริงๆเทเรื่องคุณท่านก็เทศได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วย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 ความอุตส่าหพยายามหรือความภาคความเพียรความอดความทนนั้นนั้นเกี่ยวโยงกันเป็นไปเองหักหนุนกันไปโดยลำดับคนเราเมื่อเชื่อเมื่อมีความเชื่อทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มใจแล้วความมุ่งมั่นที่จะสลัดทั้งโทษที่จะก้าวเข้าถึงทั้งคุณย่อม มีกำลังเป็นหัวใจด้วยกันเมื่อมีกำลังใจแล้วจอมสามารถที่จะประกอบความภากเพียรได้ไม่ว่าหนักว่าเบาเพราะใจเป็นสำคัญกำลังอยู่ที่ใจ <c oughs> จึงไม่มีอำนาจหรือกำลังใดเสมอเหมือนใจนี้ได้สิ่งใดก็ตามเมื่อได้ถึงใจแล้ว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 ของสัตว์โลกทั่วๆไปทั้งสามแดนโลกกถาดนี้ไม่มีใครจะอย่างทราบสาเหตุของมันว่าพาให้เกิดให้ตายพาให้เป็นรุ่มๆดนอนๆสูงๆต่ำๆเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมาได้อย่างไรไม่มีใครทราบได้เพราะจิตเป็นสิ่งที่ละเอียด มากอยู่แล้วโดยปกติและสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในจิตก็เป็นสิ่งที่ละเอียดมากพอๆพอกันจึงอยู่ด้วยกันได้จึงบังคับกันได้และยังมีอำนาจเหนือจิตไปอีกจึงสามารถบังคับจิตใจให้เป็นต่างๆได้ตามความต้องการของตนแล้วจิตก็ตไม่สามารถจะทราบโทษทราบคุณ แห่งสิ่งบังคับนั้นได้เลยจึงต้องยอมจำหนนและยอมทำตามสิ่งที่มหนียมนาจเหนือจิตนั้นด้วยมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นอกเหนืออำนาจของสิ่งที่มีอำนาจปกคุมหรือบังคับอยู่นั้นเลยชาโลกจึงยอมรับยอมทุกขยอมเกิดเจ็เจ็บตาย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 จะรู้โทษของมันได้แม้แต่นิดเลยจะแสดงออกมาอันใดก็าตามไม่เคยสะดุดใจว่าสิ่งนี้มีอำนาจบังคับจิตใจเรานอกจากยอมจำนุนไปโดยลำดับไม่ว่าจะบังคับให้คิดให้ทำพูดถึงจิตแล้วก็เรียกว่าเจ้า อำนาจเหนือหัวนั้นบังคับให้ทำคือบังคับให้คิดตามความต้องการของตนจิตจึงต้องคิดแล้วคิดเหล่าหมุนไปเวียนมาของเก่าของใหม่ไม่มีคําว่าเอื่มละอาไม่มีคําว่าคิดซ้ําๆำซากซากไม่มีคําว่าอิจนาละอาใจต่อความผิดของตนแม้จะวกวนไปมากี่ตลบ ชกทวนก็ต่าไม่มีความเบื่อหน่ายอิ่มพอไม่มีความรู้สึกตัวเพราะอำนาจอันนั้นลึกลับเกินกว่าจิตจะเห็นโทษในการแสดงออกข้องหมันเนี่ยสับ์โลกที่เป็นหมาสิ่งนี้ครอบอยู่ที่หัวใจไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด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 มีเกิดมีตายเป็นคู่กันแล้วเมื่อมีเกิดมีตายแล้วความไม่เกิดก็คงมีเป็นเหตุที่จะให้พระองค์สนพระไทยพิงิพิจารณานี่ขอสรุปความเลยว่าวาระสุดท้ายก็พ้นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นนักพ้นคว้าหาเหตุหาผลไปไม่ได้จนใ้ตรัสรู้ธรรมคำว่าตรัสรู้ธรรมก็คือ ทำลายกองแห่งวัตะซึ่งครอบหัวใจนั้นออกจากใจได้อย่างโดยชิ้นเชิงนั่นแหละเมื่อทรงทราบชัดเจนและได้ทําลายอวิชาปัจจัสร้างข้าลานี้ออกจากพระไทยจนหมดชิ้นไปไม่มีเหลือแล้วจึง ประกาศพระ อ, องค์ว่าได้ตรัสได้ตรัสรุแล้วได้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วดังทมในปฐมปฐมโพธิการท่านแสดงไว้ว่าอเนกชาติสร้าง ส, า ร, งสร้างสั้นาติสร้างอนิบิสร้างเป็นต้นเราที่ได้เคยท่องเที่ยวเกิดตายในพบน้อยพบใหญ่ อยู่ในห่วงแห่งสังสารจักนี้มาจำนวนมากไม่สามารถจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เลยก็เพราะอาวิชชาอันนี้ท่านเทียบไว้ว่าอวินหาเป็นในช่างเรือนอะไรๆท่างก็ว่าไปตามตำรับตำลาอาวิชชาเป็นรากฐานสำคัญ เ่พอถอดถอนอันนากฐานสำคัญแล้วเรื่องที่จะพาให้เกิดให้ตายในภพน้อยภพใหญ่อันเป็นจริงก้ารสาขาไปในแง่ต่างๆของกองทุกหรือของความเกิดนั้นก็หมดสิ้นไปโดยลำดับและสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนี่คือพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าสยามผูทรงรู้เองเห็นเอง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 ลึกลับมากละเอียดเกินกว่าความรู้ที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นทางปวดเปื้องนี้จะรู้ได้สติปัญญาก็เป็นเครื่องมือของมันเสียถ้าพูดเรื่องสติปัญญาธรรมของคนมีกิเลสไม่ได้สนใจในธรรมต้องเป็นเครื่องมือของธรรมชาตินี้โดยไถ่เดียวเท่านั้น การพิสูจน์ความรู้นี้ให้เห็นประจั์ไปโดยลำดับจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติซึ่งเป็นพระอววาดคำสั่งสอนของพระพุทเจ้าได้ทรงแสดงไ้แล้วที่เรียกว่าปริยัติคือเราศึกษาเรียนจากตำหนักตำรานั้นมาประพฤติปฏิบัติเริ่มตั้งแต่ลุดหัดภาวนา ในขณะที่จิตมีความฟุ้งเฟ้อเหอเหไม่รู้เนื้อรู้ตัวขื่นเดิงบันเทิงเศร้าโศกเสียใจไปตามอานาจของกิเลสแต่ไม่ทราบว่ากิเลสเป็นผู้ทาพิษเป็นผู้บังคับบัญชาให้เป็นเช่นนั้นเมื่อได้อบรมทางด้านจิตตภาวนาเข้าไปตามหลักธรรมที่ด้านสอนไว้ย่อมจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมา เพียงความสงบขึ้นมาเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกแล้วสาหรับจิตใจของคนที่ไม่เคยสงบเลยเพียงเป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบตามกาลังของตนเท่านั้นก็เห็นเป็นของแปลกประหลาดแล้วในความสุขประเภทนั้น <c oughs> สําหรับบุคคลที่ไม่เคยมีความสุขจากจิตสงบนี้เลยเพราะเราเคยคุกเข่ากับ ความสุขที่กิเลสมันป้อนพูดง่ายๆก็พอะวัตประทางชีวิตให้เป็นไปวันในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นมาเสียจนจำากี่แล้วไม่เห็นได้รับความวิเศษวิสูอะไรก็แค่นั้นเลยนั้นไปไม่ได้มันไม่ให้เลยเพียงประทางไว้ให้ใหมีสื่อตอบพบตอชาติไปเท่านั้น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 ได้มีความสนใจต่อความสงบด้วยการเก้มงวดกวดขันหรือพยายามทำจิตของตนให้มีความสงบยิ่งขึ้นเมื่อจิตมีความสงบพอสมควรพอเป็นบาตเป็นฐานหรือเป็นปากเป็นทางแล้วก็มีอุบายอีกแง่หนึ่งที่พระพุธทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าให้ใช้ปัญญา คำว่าปัญญาได้แก่ความแยบคลายของจิตอาการของจิตความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละหากเป็นความแยบคลายประเภทหนึ่งขึ้นมาจากจิตท่านเรียกว่าปัญญาเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาจากจิตสติก็เป็นอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากจิตแต่ไม่ใช่จิตหากนำไปช้าให้เป็นประโยชน์แก่จิตได้และได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้เต็มภูมิ นี่ให้ท่านให้ใช้ปัญญาพิจิตพิจารณาการพิจารณาก็ไม่ให้พิจารณาที่ไหนพิจารณาตรงที่กองทับกิเลสมันสมอยู่นั่นแหละรูปักท่านโทเวทนาขั้นโทสั้นาขั้นโทสัญญ้นกระดับขั้นโ ท, น, โทนี่เป็นสำคัญในกองรูปคือร่างกายของเราทั้งร่าง เน้ของศาสตร์บุคคลทั่วๆไปในเวทนาทุขทุกข์เฉยๆทั้งกายและทั้งทั้งทา ง, งใจในสัญญาในสังขารในยิน ญ, ญาเบื้องต้นท่านให้คุยเขี่ยขุดค้นทางรูปคือรูปกายนี้ให้มากเพราะปเปลือกมันหนาแน่นอยู่ตรงนี้มาก หากในลึกๆนั้นเรายังมองไม่เห็นเพราะกิเลสประเภทนั้นฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าประเภทที่มาจับจอง ม, มายึดมาถือมากำานาจในสกลอากายนี้อยู่มากเพียงแต่กิเลสประเภทที่มากุมอํานาจอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้เรายังไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งๆที่เห็นได้ด้วยตานเนื้อนี่แหละแต่ตาใจตาปัญญาไม่มีจึงไม่สามารถมองเห็น เช่นเกษารูมานาขาทันตาตะโจนี่เป็นต้นมีใครเป็นคนเห็นถมลงอย่างถึงที่ถึงฐานตามหลักความจริงของธรรมนอกจากเห็นไปตามกิเลสล้นล้วนร้อยเปอร์เซ็น100เท่านั้นขนเล็บก็เป็นเหมือนกันฟัน ก็กระดูตามหลักความจริงแล้วมันยังไม่เห็นไม่เห็นตามัดตามธรรมแล้วรวมร่างกายนี้ทั้งก้อนหรือทั้งทั้งท่อนมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ยิ่เลกคุมอำนาจไว้หมดว่านั่นสวยนี่งามนั่นน่าราักใคร่นี่น่าชอบใจ นั่นน่ากำนัดยินดีนั่นเป็นสิ่งกีรังถาวรหรือไม่ได้คิดถึงความกีรังถาวรเลยไม่กีรังถาวรเลยมีแต่ติดมีแต่ชอบใจถ่ายเดียวว่าอันนี้จะแปลสภาพไปอย่างไรไม่คำหนึ่งตั้งแต่ความชอบใจความพอใจนี้ก็พอตัวแล้วอิเลตันหลอกเพียงแค่นี้ก็พอตัว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 เป็นทางเสริมสร้างของกิเลสเป็นทางของกิเลสเดินต่างหากที่ว่าบนท้งนั้นบนเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นการระบายทุกมันเป็นทางเดินของทุกข์ของสมุทัยต่างหากนี่ตามความจริงท่านชอนให้พิจารณาที่นี่ถึงว่าอนัตตาก็เหมือนกันมันเป็นก้อนเราทั้งก้อน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 นับตั้งแต่เจษาลูมาลงไปโดยลำดับจนกระทั่งสกุลจนกระทั่งสกุลกายทั้งร่างแยกแยะดูทั้งภายในภายนอกขี่คลายดูซ้ำซ้ซากๆถือนี้เป็นงานสำคัญประจำชีวิตจิตใจและียาบทไม่ละไม่ถอยตามหลักธรรมของมุขเจ้าคือปัญญาพิจารณาขี่คลายดูเป็นงานประจำ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 ดูที่ผมเพียงตกลงในภาชนะอย่างนั้นก็ขยะขแขงไม่อยากรับทานแล้วยิ่งตกเข้าไปในอาหารด้วยแล้วจะอาเกียนไปเ ร, รื่อยๆผมขนเล็บของผู้ใดก็ตามหลุดลงไปในภาชนะอาหารดูที่ดูได้ไหมฟันหนางนี้เหมือนกันล่วงลงลงไปภาชนะดูได้ไหมรับทานนั่นหมา ย, ามายขยะขแยแขงดีไม่ดี สำหรับนั้นแตกคือเลยร่วมวงกันอยู่มากน้อยอย่างไรก็ตามแตกกระจายเลยเพียงฟันซี่เดียวเท่านั้นตกลงไปในภาชนะสำหรับรอบฐานแ ล, และนี่แหละเรื่องความจริงเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมจริงต้องเสืสันต์ปั้นยออนักหนาให้ติดให้แน่นลังหน่าวานี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นของสวยนี่เป็นของงามเพราะกิเลสมันแหลมคมกว่าใจ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 ในทางที่กิเลสมันจะถอยทับกลับแพ้ด้วยมีกิตตภวนาเป็นสํำคัญแล้วอธิบายเข้าสู่ปัญญาซึ่งยังอธิบายยังไม่จกเวลานี้ส่วนสมาธิก็ได้เริ่มไปบ้างแล้วแล้วพิจารณาอย่างที่ว่านี้มันจับจองไว้ที่ไหนบ้างแทงทะลุเข้าไปด้วยปัญญา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 แล้วดูเช่นดูเอ็นดูกระดูกทุกท่อนที่เกิด อ, อยู่ตามถนนทางมีคุณค่าอะไรทำไมกระดูกอันนี้จึงเสกสรรท่นญญานยอว่ามีคุณค่าจนทับหัวใจของแทบจะตายไม่มีวันฟื้นอยู่แล้วปัญญาสอดแทรกลงไปนี่ท่นคือปัญญาเมื่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เห็นชัดตามเป็นจริงโดยลาดับลาดับจิตจะมีความดูดดื่มจิตจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใส ความภาคความเพียรความหมดความทนจะมาเองหมุนตัวไปโดยลำดับลำดาพิจารณาเท่าไรยิ่งแจ้งยิ่งชัดยึงทราบซึ้งในโอวาสคำสอนของมูเจ้าว่าถ้าพูดถึงเรื่องอนิจจังก็ซึ้งอ๋อเป็นอย่างนั้นจริงๆมีทุกอาการของร่างกายและจิตใจที่แสดงออกแต่ละอาการการันต้นแน้ตั้งแต่เป็นเรื่องอนิจจัง ทุกขังบีบบังคับตลอดเวลาหาช่องว่างมาได้แม้แต่นอนหลับอยู่ก็ยังต้องบีบถึงต้องตื<อ>่นนอนบางทีจะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะความทุกข์มันบีบบังคับอย่างเด่นจะทนนอนหลับครอกๆ อ, อ, อยู่ไม่ได้นั่นพูดถึงเรื่องอสุพะปฏิปุณโสโคก็ไม่มีอะไรเกินร่างมนุษย์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 ประจักษ์กับใจของตนเองนี่ยิดถอนอุปทานจากผู้ประขันเพราะความเห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นอย่างนี้ทีนี้มีตรักธรรมชาติแห่งธรรมล้ว น, วนคือเห็นตามเป็นจริงหาที่ค้านไม่ได้ที่ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นมาแต่ก่อนนั้นเป็นเรื่องของความจำปลอมที่กิเลสมันปักเสียบปักปันเขียนแดนเอาไว้ ทีนี้ทำลายหมดเขตแดนชงกิเลสที่มันปักมันเสียบไว้ที่ไหนหรือถอนออกหมดปล่อยลงสู่ความจริงล้วนๆอนาฬโยหายห่วงหายความยึดถือในร่างอันนี้แล้วบัดนี้เพราะรู้ตามความจริงในขณะเดียวกันเวลาพิจารณากายนีเบทนาปรากฏขึ้นมาก็กำหนดเช่นเดียวกัน เวทนากายเวทนาจิต mm. เมื่อเวทนาทางจิตเป็นของละเอียดไม่สามารถจะทราบได้ในวาระนี้แล้วก็พิจารณาทางเวทนาทางกายดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วโ mm. ดวยลําดับับที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้เป็นการคลี่คลายสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจอุปท า, านในกายก็คือกิเลสที่หุ้มห่อจิตใจเวทนาสัญญาสังขานวิ ญ, ญญาณที่จิตไปหลง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 รู้กับรู้ทั้งร่างรู้ไปหมดทั่วสารพานางกาแต่จะยึดแต่จะจับเอาจุดที่ว่าจิตจิตนั้นจับไม่ได้เพราะถูกอันนี้หุ้มห่อไว้หมดแตะเข้าไปตรงไหนเจอตั้งแต่ตัวอวิชาปัญญาสร้างขาราสร้างขารปัญญาวิญญาณแบ่งแบ่งกินก้านสาขาของมันเต็มไปหมดแต่ตรงนั้นถูกกิ่งของอวิชา ถูกก้านของลิษาถูกรากฝอยของอวิชชาถูกเปลือกถูกกระพี้ของอวิชชาเมื่อใช้ปัญญาถากถางเข้าไปกินก็ฟันเข้าไปก้านฟันเข้าไปลากฝอยฟันเข้าไปเปลือกฟันเข้าไปกะพี้ฟันเข้าไปนี่ตั้งแต่รูปกาย จนถึงเวทนาสัญญาสังขารมิจัดเป็นชั้นชั้นของกิเลสที่เข้ามาแทรกสิงที่เข้ามายึดถือนั้นด้วยอำนาจของอวิชชาจนกระทั่งเข้าใจอันนี้อย่างชาัดเจนคิดเปิดเผยตัวขึ้นมาโดยลำดับลำดาเห็นได้ชัดมาตั้งแต่ขั้นสมาธิแล้วแต่ยังไม่ขาดจากการกับสิ่งเหล่านี้เมื่อใช้ปัญญา เป็นเครื่องตัดปันแล้วขาดไปโดยลําดับกำดาจนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นส่วนละเอียดก็ขาดไปด้วยกันหมดจากความเป็นเราเป็นของเรารูปก็ดีเวทนาทั้งสามกดีสัญญาก็ดีสังขารก็ ด, ญญกดีวิญญาณก็ดีขาดจากความเป็นเราเป็นของเราอย่างเห็นได้ชัดด้วยปัญญา น, นี่แหละ ว, วิธี เปิดจิตเครื่องหุ้มห่อของจิตให้เห็นได้ชัดเปิดด้วยภาคปฏิบัติยิตภาวนาเปิดเข้าไปเปิดฟันเข้าไปขาดสะพันเข้าไปโดยลําดับดับตัดสะพานของอวิชชาปรรยาซึ่งออกเที่ยวหากินจนไม่มีทางออกทางรูปก็ตัดทางเวทนาก็ตัดสัญญาสังขารวิจันทก็ตัดทางตาหูจมูกลิ้นกาย ที่จะออกสู่รูปเสียงกลินรถเครื่องสัมผัสนั้นยิ่งห่างไกลตัดเข้ามาตัดเข้ามาจนกระทั่งเหลือเกาะเดียวดอนเดียวอุโมงคือจิตซึ่งเป็นที่ซุ่มซ่อนฝังอยู่ของอวิชาทตติปัญญาเมื่อถึงขั้นนี้แล้วย่อมเตรียมการย่อมชาลาดสามารถมากทีเดียวเกินกว่าจะนำอะไรมาคาดมาเทียบมาเสมอเหมือนได้อย่างไรก็ไม่ทน ถ้าลงสติปัญญาได้ถึงขนาดที่ว่าฟันขาดสะบั้นทันแหลกเข้าไปจนถึงจุดเดียวแล้วจะจุดนั้นจะไม่ถูกทำลายเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระนาพระอนาคามีท่านเมื่อถึงขั้นนี้แล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเป็นอัตโนมัติของสติปัญญาขั้นนั้นแล้วท่านก้าวขึ้นสู่สุทาวาสห้าชั้นตั้งแต่ชั้นต้นอวิหะอตปา สุชาติสุธสธสธทธีอคติฐาและเคลื่อนขึ้นไปโดยลําดับไปโดยลำดับไม่กลับมาอีกเลยจากอคติฐาแล้วก็ น, นิพานนี่ก็เพราะอํานาจของจิตเป็นอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติทํางานในตัวเองโดยไม่ต้องถูกกดขี่บังคับหมุนกันไปโดยหลักธรรมชาติของตัวเองมีจิตขั้นนี้ก็เหมือนกัน ทั้งที่เรามีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่ต้องไปกล่าวถึงสุทธาวาส5้าชั้นแหละกล่าวถึงจิตกับสติปัญญาที่รักษากันและประหาระหารสิ่งที่เป็นฆาสดสิ่งที่เป็นเชื้อที่จะพาให้เกิดแก่เกจะตายต่อไปอีกภายในจิตทั้งตัวเองสุดท้ายก็ขาดชะพันลงไปในจุดนั้น อั น, น, นอวิชาปัจญาสร้างข้าราอยู่ที่จุดนั้นที่นี่จุดนี้แหละอันนี้แหละที่พาสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดไม่ใช่อะไรเห็นได้ชัดเมื่ออะไรรขาดไปหมดยังเหลือแต่จิตจิตยังต้องลักต้องสงวนจิตนี่เพราะฉะนั้นจิตจึิงต้องมีภพแต่ไม่ใช่ภพเหมือนภพทั้งหลายภพในสุทธาวาส ห้าชั้นนี่จิตดวงนี้บอกได้ชัดๆอยู่ภายในจิตเองจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานเหนี้เพื่อให้ถึงนิพพานทั้งเป็นทั้ง ส, สดๆร้อนๆนี้เอาฟาดลงไปในจุดนั้นให้อวิชชาปัญญาสร้างขาราซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั้นให้แตกกระจายลงไปไม่มีเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่ จะว่าแดนแห่งพระนิพพานก็แล้วแต่จะพูดไม่หิวหูวอยากจะพูดไม่ต้องการพอตัวแล้วจิตเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยทิ้สิ่งที่ครอบหัวใจมาเป็นเวลานานได้ขาดกระเด็นลงไปแล้วอย่างเห็นได้ชัดภารในจคจิตนี้จะไปเกิดที่ไหนอีกที่นี่แต่ก่อนเกิดมาเพราะเหตุไหลเกิดตาเกิดตาเกิดตา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 ยังครอบหัวใจยอยู่แล้วจะต้องเป็นไปทำนองเดียวกันกับอดีตที่เคยเป็นมาแล้วไม่สงสัยแต่บัดนี้ได้ขาดจะเดินลงไปแล้วธรรมชาติที่พาให้ก่อพก่อชาติปัจจุบันมีรู้เท่าแล้วขาดสะบั้นออกจากกันทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ตายได้รู้ได้เห็นชัดเจนแล้วจอทราบได้ชัด ถ้าหากว่าจะเอาโลกเข้าไปเทียบร้อยเปอร์เซ็นก็ร้อยเต็มร้อยเต็มน้อยพันก็พันเต็มพันผู้นี้ได้เปิดเผยตัวเต็มที่แล้วจิตดวงนี้นี่แหละเป็นจิตแท้ที่นี่เอาในขณะเดียวกันนี่แหละคือธรรมแท้อยู่ที่ตรงนี้นี่แหละคือโบรมันสุขหรือนี่แหละคือนิพพานถ้ า, า่าจะใส่ชื่อเข้าไปก็ใส่เพื่อสมมติ โดยลำพังท่านผู้รู้ผู้เห็นแล้วท่านไม่จำไปใส่ไระธรใหม่เท่านั้นพอนี่แหละจิตลึกลับขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้นำธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าเป็นผู้ถากผู้ถางผู้ฟาดผู้ฟันเข้าไปแล้วจะต้องถึงลากแก้วและถอนพรวดขึ้นมาอย่างไม่ต้องสงสัยขอให้ทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติด้วยความเอาจิงเอาจัง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 เป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีทางสงสัยอันนี้แหละพาให้สัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์ความลำบากแล้วไม่รู้โทษของมันด้วยมันไม่ยอมให้รู้ญความเหนึ่ือที่นี้เมื่อสติปัญญาทันแล้วรู้หมดที่นี่เคยเป็นมาอย่างไรยังไง ร, รู้หมดมันจะเป็นอยู่กับหัวใจใดกิริยาการของสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดรู้หมดอเพราะมันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วนี่ ได้ปราบลงไปจนแหลกละเอียดไปแล้วไม่สามารถที่จะมาครองหัวใจเราได้อีกเหมือนอย่างแต่ก่อนหรือเหมือนอย่างหัวใจใดใแล้วเพราะฉะนั้นมันมีอยู่ในหัวใจใดแสดงอากากิริยา อ, อมาอย่างไรจรึงทราบมันหมดเมื่อได้ทราบแล้วทราบหมดแจะว่าเป็นโลกวิทูตามหลักธรรมชาติความจริงนี้ก็ไม่ผิดถึงจะเป็นโลกวิ ท, ทูรู้แจ้งแทงทะลุจนกระทั่งถึงสัตว์ตัวนี้ตาแล้วแต่เกิดที่ไหนะฉนั้นประกาลแล้วไปเกิดที่ไหน ก็ตามแต่ก็ร้ไดในหนักธรรมชาติอย่างนี้นี่เป็นคุณสมบัติของสาวกได้ในโลกวิถีในลักษณะนี้นี่แหละการปฏิบัติธรรมเพื่อจะลื้อถอนจิตซึ่งเป็นตัวนมหันตะโทษมหันต์ตถุกทุกอวิชชาปยาสร้างคาาเป็นนายเหนือหัวครอบงำบังคับปัญชากดขี่ ก, กงเผง มาเป็นเวลานานแสนนานแล้วเราสงสัยที่ไหนไม่มีที่จะสงสัยขอให้ยกหลักปัจจุบันนี้ขึ้นต่อพุทธปฏิบัติกําจัดมันให้ได้เถอะพระพุทธเจ้านิพานกี่ร้อยกี่พันองค์นิพานตนานเท่าไหร่จะไม่มีปัญหาโดยการทั้งปวงจะรวมกันอยู่ที่ปัจจุบันในกิจปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้โดยไถ่เดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่มีทางอื่น สิอื่นเป็นเครื่องยืนยันเมื่อันนี้เท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันดังทำท่านว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นนิานโคตก็หมายถึงเห็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละพร ะ, ะพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเหมือนกันนี้หมดเมื่อยอมรับอันนี้อย่างเต็มที่แล้วก็ยอมรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายในขณะเดียวกันหาที่ค้านกันไม่ได้ การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามดังที่ว่านี้จึงต้องอาศัยความภาคเพียรพะกิเลสแต่และประเภ ท, เภทนั้นดาเข้าใจว่าโง่นะไม่มีอะไรฉลาดหนูกิเลสวิธีการที่จะต้องต่อสู้กิเลสนั้นจึงต้องอาศัยความฉลาดแลมคมอาศัยความบึกบึนอาศัยความอดความทนความเอากิงเอาจังทำเล่นๆ ล, ละหละ่อแห ล, ล, ล่ไม่ได้ ถ้าเราอยากจะพ้นจากทุกข์ถ้าอยากจะเป็นนักโทษมหันตทุกข์อย่งนี้ว่ามันก็เป็นมาแล้วนี่จะอยากไปอะไรอีกมันก็เป็นมาแล้วนี่เราสงสัยที่ตรงไหนก็มีทางเดียวเท่านั้นที่จะลื้อถอนออกตัวออกจากเปลวไฟอันใหญ่หลวงให้ถึงความสวัสดีตลอดอนันตการเท่านัน้นขอให้ทุกท่านฟางให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรม ด้วยความภาคเพียรของตนเองการแนะนําสั่งสอนก็เลยสั่งสอนเต็มอัดเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้รับสําหรับท่านผู้มาศึกษาเป็นอย่างไรก็พูดให้ฟังอยนะ่างนั้นขอให้ฟังให้ถึงใจแล้วปฏิบัติให้ถึงธรรมจะพ้นจากทุกข์อย่างถึงใจในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละขอพูดไปพไปก่อหน่อยไ ะ, ะมันก็เหมือนรถบรรทุกของหนักนะ มันอืดอา่านมันเนื่นอยนามันช้าอยู่นั่นแหละอะไรๆก็ต้องช้าเพราะมันเกี่ยวโยงกันทั้งวัดเราจะเจียวจะหาอยู่สะดวกสบายอีกสะดวกใ น, นการภาวนานอันนี้มันก็ต้องเป็นตามปัญญาใสเพราะผมเคยเป็นมาแล้วอยู่กครูบาอาจารย์มันเป็นเหมือนแม่เลย เครื่องดึงดูดให้พยมจิตใจว่าไม่ได้แม้จะยังไม่ได้หลับได้เกยียรอะไรมันก็อาศัยกูวาจาเป็นหลักเป็นเกยียร์เป็นเหมือนแม่เล็กเปเครื่องดึงดูดให้มีความชุ่มเย็นเพราะความหวังนั้นเป็นสําคัญออกไปจากท่านมาแล้วมันอะไรผมนี่เป็นมาแล้วนะเพราะว่าตั้หน้าตั้งตาจะ มีหมาถึงเวลามันยังไม่ได้หลักคือสมาธินะภาวนาอะมันก็ไม่ได้เลือ่องเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้กิจใจรอนนี้ถ้าอยู่อย่างนี้ไปก็ไม่นานมันจะจบแน่แน่เนี่ย ต้องกลับพหวหาภูว า, าจันอยู่กับท่านมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่ได้สบายทั้งๆดีมันก็ไม่ได้เราไดเกินนะมันอยู่กับรูว า, าจันใช้ยิดท่านในทางจิตใจมีผมเป็นแล้วทำยังไงมันก็ไม่เลือกภาวนาหรออ้าว ก, ก็ไม่ได้เลือกอิ่ง มันกว่ามันได้หลักได้เก็บมาทีนี่ไปไหนพอไปน้อยมีจิตเป็นสมาธิเป็นหลักหลักมีเก็บมันพอไปของมันพอสู้ของมันคือต้นทุนมันมีถึงความยากยั้งการ้นปัญญามันเกิดก็อาศัยสมาธิเป็นหลักเป็นจิตดูได้โดยสมาธิคือความสงบใจไม่พุพ่งเพ้อเหมือนแต่ก่อนที่มันไม่มีหลักมีเก็บเยอหนึ่งเยอะนนนนนนจัง ครับไล่ส่งให้หมู่บ้วนไปอยู่ที่นั่นที่นี่คนเดียวชาบ้านอย่า น, นี้มันก็ไม่แน่ใจในจิตใจของหมู่บ้านจะมีความกละหายใน ก, การรักษาตัวได้เพงไรแม้จะอยู่ด้วยกันนี้กันอย่างได้ดุได้ด่ากันนี้ความผิดความพลาดเพราะความไม่คิดไม่อาจมีอยู่มากเหนืออ น, น่งแม้จะจริงจังแค่ไหนเราก็ไม่แน่ใจอีกหุ่มก็เลยตกลงก็พึงพลังกันอยู่ี่คิว่าไง ตอนเล่เหล่าเล่เกณฑนแล้วนี่ตื่เดินก้าวทางปัญญาแล้วมันเป็นอีกอย่างนะนั่นหมือนมันติวต้วติ้วติ้ย่าน้นก็เกิดข้อความใจมาจะของแจ้งม่ไดมันก็คิดถึงกูบาลจันคือไม่ให้มันเสียเวลาเปน็นนานวิ่งมาท่านเพราะมาท่านพอเล่าถวายท่านนั้นท่านใส่เพียงเดียวเท่านั้นมันขาดตะบ้านไปเลยนะเพราะท่านรู้ไปแล้วนี่ เราไม่รู้ไม่รู้ทางออกทางเข้าไมา่รู้วิธีปลดเรื้อนจะปล ด, ปลดยังไงปัญหาแต่ละอย่างอย่างที่มันเกิดขึ้นมานั้นก็คือสมูกไทยเข้ามาขวางทำนั่นเองปัญญาเราไม่สามารถทึดพินพ์แก้ได้มันต้องวกต้องเย็นพลิกไปพลิกมานี่ไม่เสียเวลาพอบรนเล่าถวายท่านแล้วท่านถส่เปี๊ยงเดียวเท่านั้นมาขาดสะ บ, บั้นไปเลยนั่นนั้นต่างกันนั้นนะนะว่าไม่มีครูมีอาจารย์จริงมันก็หแน่ใจว่ามันจะ เป็นปดาแต่มันช้าเลยเราเห็นได้เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านร่วมรับไปแล้วมันไม่มีใครแล้วที่นี่เราคนเดียวเป็นก็เป็นตาก็ตายนี่เหมือนนั้นมันกระหมูก็มาช่วยตัวเองเหมือนกันในขั้นขั้นนี้ก็เป็นเป็นความช่วยตัวเองมันได้อีกขั้นหนึ่งเช่นเดียวกับที่เวลาเราจงกอกเป็นมงุงอย่างที่เคยเล่าให้งมันก็ช่วยตัวเอง มันมันับช้าตอนนั้นแหละแต่มันดิ้นมันดินดไม่หยุดไม่ถอยเพราปัญญาคันนี้มไม่ถอยแหละช้าหรือเดืมเอมันก็เอากันอยึ่อย่างนั้นมันก็ทะลุให้มันไปได้แต่ยังไงก็ตามเรื่องครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทำให้กระทัดรัดก็ไปเรื่อยเรื่อยทั้วดหรือราบลื่นไป ต้องทางหน้ากิตใจจึงสำคัญมากสำหรับครูอาจารย์ทู้คอยให้บ่ายหเอาทำสูตร 4.5 มาสอนกันนั้นไม่ได้นะเนอเรียนจบพระไตรปิฎ ก, กก็เถอะถ้าลงหิดนี้ไม่ได้ทรงอักทรงทาประจักษ์ใจถุนแล้วจะสอนไม่ถูกถ้ายกยาก็ยกกันทั้งหินนะ่หมอเถื่อน คนไข้รายไดมาก็จะยกยาทั้งสี่ทุ่มกว่านั้นมันตายตอนนั้นนะคนไข้ไม่ได้เหมือนหมอหมอเขาไม่จําเป็นต้องไปยกกันมาทั้งสี่ทั้งตู้เลยเป็นยังไงถามอาการแล้วมันเขรู้แล้วคนฉีก็ฉีดกันให้ยารับทางก็ให้เท่าที่เห็นว่าเหมาะสมกับโรคประเภทนั้นๆเท่านั้นนคุผู้บาอาจารย์ที่คอยให้อุบายเราก็ลงใจจุดสําคัญสาคัญกันทีกันที ความผ่านมานต่างกันหนึ่งจิตสอนจินตนึ่งระทั่งเล่าคุณมาภาพตัวนี้ท่านรู้แล้วท่านเคยมาเท่ า, ทาไหร่เป็นมาเท่าไหร่แล้วหายปั๊บเดียวเท่ า, ท า, ทาทนี้นี่เห็นหน้าคั่อืมเพื่อนเลยกําลังของล้านจิตใจให้ได้เห็นเรื่องโทษของกิเลส แสนทําให้แสนทุกแสนทรมานไม่มีอะไรเกิดกิเลสในโลกทั้งสามมันไม่เห็นโทษทั้งมันที่มันปิดเอาไว้หมดอันนี้คือมันลําบากมีครู่าอาจารย์ช่วยเปิดช่วยเผยให้มันก็ยังสู้กิเลสมันรวมร้อนออกไม่ได้อยู่นั่นเลยเหมือนกับพาจอกแหนขึ้นจากน้ํำพอแหวกออกมี่แหละหก็มา แหวกออกมั้งคไหลก็มาขกกมาอยู่มนะันถึงขั้นปัญญาแล้วไม่เพียงว่าแวกออกนะจับโยนขึ้นบนฝั่งโยนขึ้นโยนขึ้นโยนขึ้ น, น, นมันจะมีจอกมีแหนมะอะไรนี่ควา ม, มาปา้นฝั่งให้หมดเหลือแต่ น, น้ําใสสะอาดเหงื่อจะอยูมันไม่มมันไม่มีปัญหาอะไรปัญหาทั้งมวล เกิดจากพิเดอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อพิเดียอมันะสิ้นสร้างปจากษ์ใจแล้วอะไรมาบินมาหาไม่นี้โลกสามโลกเท่านมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ไปยุ่งมันและจิตเองก็พอตัวอยู่แล้วจะไปยุ่งกับอะไรเนี่ยฟังดิพอตัวกันอยู่แล้วบิดดีตลอดมันว่าการนั้นสถ า, มมานนอิยาบทนั้นยานี้นกระทบนั้นเป็นนั้นพรานี้อะไรกระทบอะไร มีเรื่องปัดกันเย็บเ็บยกับวิญญาณเหมือนวาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเท่านั้นคนรู้เรื่องเขามันอยู่แล้วน้อยมีเขาปูกเป็นเจ้าของเขาไปยึดแค่อย่างเดียวเจ้าอำนาจเขาไปยึอย่างเดียวขันก็เป็นขันร้วนดังที่ว่าเรื่องอย่างนั้นตามธรรมชาติของมันแม้ตัวมันเองมันกอยังมีความหมายในตัวมันอันนี้ธรรมชนติมันก็เป็น อย่างร่างกายของเรานี่ที่นั่งอยู่นี่มันก็เหมือนกับวัตถุทั้งหลายได้ดีน่ะมันไม่ได้ผิดกันเป็นเรื่อเพียงว่าความรู้ไปเป็นเจ้าของไปผู้รับผิดชอบอใช้มันอีู่เท่านั้นเองนั้นรูก น, น, น, นั้นตาให้มีหน้าที่เห็นรูปเนี่ยหูมีหน้าที่นั้นทางออกนี้ไปเจอนั่นทางออกนั่นไปเจอนั่ น, ท า, ออ น, น, น, นทางออกทางตาไปเจอรูปทางออกของจิต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 นี่ก็เหมือนกันเพราะว่างลงไปแรกก็เท่านั้นเองอัห้ามเหมือนกันแล้ความรู้เป็นความรู้ไม่ไปสับสนมุ่นวายับสิ่งไรไม่มีอะไรมาสับสนมุ่นวายกับความรู้นี่แล้วเป็นความรู้ล้วนๆมันเป็นอย่างนั้นผิดอะไรร่างกายนี้กับผ่อนไม้ท่านฝืนนั้นมันผิดกันอะไรไม่ได้ผิดกันเป็นเฉพาะความรู้นี่มันครอบอยู่รับผิดชอบอยู่มันต่างกันเท่านั้นเอง เรื่อเครื่องมื อ, อยังใช้ได้ใช้ไปนี่เท่านาั้นพอความรุ่นไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วมันก็เหมือนไม่มีโลกโ<อ>เยธมาเหตุพราวจะสั้งเหตุเป็นทาสตโตซึ่งมากก็พระบร า, ารหันพูดนี่ ผ้าสัชชีเป็นพระอรหันต์ตั้งองค์เยศมาเหตุตุปภาวติสรุปสุกุณฑะตโตเตทั้งจักโยฮิลูทุกจักรวางดีมห้าสมณะทำร้ายเกิดจากเหตุเมื่อจะดับเพราะว่าดับเหตุก่อนอะไรเป็นเหตุก็จิตเป็นมหาเหตุตรวมอยู่ฉากหลังหุงจิตจะคืออะไรนะก็พูดแล้วจะกินดับดับเหตุก่อน มหาสมาทรของเราสอนอย่างนี้ทันวลายอย่างนั้นซึ่งการต่อสู้วิเดียอการต่อด้นวิเดียรต้องถือเป็นงานสำคัญจำเป็นเราชุดชีวิตและพูดง่าย พูดอื่นผมก็ไม่ทันสนิทใจแต่ว่าถึีคิตเข้แรกว่าถึงใจนะเพราะเคยคิดข้อแรกแล้วมันทุกกับทุ ก, ก, ทกแต่ว่าทุกอันนี้มันคุ้มค่าหนไม่เหมือนทุกหาหัวหาท้ายไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้มันทุกข์ที่กิเลสดืบบงังคับให้เกิดทุกข์นั่นหาต้นหาปลายหาที่ยุติไม่ได้ ทุ อ, อยู่ตลอดอันนี้ทุกข์มันมีต้นมีปลายมีที่ยุติเวต่อสู้ฆ่าสึกยังมีอยู่ก็ฟาดกันลงไปลงไปเพราะค่าสึกเปี้ยงไปแล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนนั่นมันมีที่ยุติต ท, ทุกข์กอันนี้เหมือ น, นทุกข์ที่ตายกลองกันอยู่ในวัฏตะหาทางออกมาได้ทุกข์อันนี้พิลึกถ้า ม, มีเงื่อ น, นต้นเงื่อนปลายเลย ทุกเพราะความเพี่ยนไม่มีเนี่นยมันถึงราวของมันถึงเลยะของมันที่จะทุ่มมันต้องเป็นของมันเองมันทุ่มมันทุ่มมันชีวิตมันไม่ได้อะไรเสียดายมันเป็นมันไม่รู้กี่ครั้ง เมื่อเราเขาไปเจอฆ่าศึกมุ่งนั้นพอไปเจอค่าศึกแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเท่านั้นถอยไม่ได้เนี่ยนั่นที่มันฟาดกันตรงนั้นเองเอาโลกฆ่าศึกเขาก็ต้องเอาซีดข้อแรกเนี่ยนี่เราเราก็พิเรกก็ขึ้นเป็นค่าศึ ก, ก, ศกอันหนึ่งเราก็ต้องเอาซีดข้อแรกถึง ว, วราระพอเจอข้าก็ใส่กันตายก็รู้ตายก็รู้ สุดท้ายอยากพูดเต็มปล่าพิเลฒมันตายเราไม่เห็นตายวะเนี่ยพระพุทธเจ้าพิเลฒตายพระเพียงแค่สรบปเท่านั้นสุดท้ายพิเลฒตายท่านยกโป่งเด่นๆมาเช่นอย่างพระสุนท่านก็เพียงฝ่าเท้าแตกไอ้กับพิเรฒ์ฝ่าเท้าแตกท่านแตกกับิเลฒ์เป็นฝ่าเท้าแตกแต่พิเรฒ์ตายเนี่ย ถ้าจากากักกูบาลก็าฟาดกันกับกิเลสจักสูแตกใจกิเลสตายแน่ไม่ยินว่าท่านเห น, นี้ตายยังมา ก, กเขาเพียนจักสูแตก <laughs> พระพุทธเจ้า ก, ก็สลบแต่กิเลสมันเลยสลบตายเน่ยถ้าจาักขูบาลเขาเตะกิเลสฝ่าท้าแตกิเลสตายท่านเดินจงกรมจนฝ่าท้าแตกสูงนะ นี่ีนในท่านเด็นคนเป็นป่าเท้าแตงนี่ถ้าเราคิดไปทั่วไปนี่อาจะคิดโอ้โหท่านเป็นความเปลี่ยนทางด้านจริงเป็นคนเป็นป่าเท้าแตกเก่งจริงเรื่องความเปลียนของท่านแต่ความเพียนสัมยุญไปด้วยสติปัญญาอัตโนมัติน่ะไม่ใชบังคับการเดินที่เป็นป่าเท้าแตกน่ะตามความแน่ใจของผมไม่ว่าความรู้สึกหรือว่าแน่ใจเลยเพราะถึง พอเมื่อถึงขั้นนี้แล้วมันไม่มีกลางวันกลางคืนมันไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่กี้เหล็กก็จิดหมุนกันฟักกันอยู่นั่นมันก็ไปดูเรื่เวลาไปสนใจแต่ว่อเวลาความเจ็บปวดแสบล้ออะไรที่ไหนมันไม่ได้สนใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วนี่ดูดูดูดูฉันงานเสร็จแล้วไปเดินยังกงน้ำไม่ได้ฉันเลยมันยังอยู่ได้เลยฟังซิไปสนใจอะไรก็หมาคูุรี กับน้ํากับท่าเลยไม่ได้สนใจฟัดเป็นเงินมันลืมทิพยไปหมดเนี่ยว่ะกางวันแสกเดิอนอยุกรมตากแดดได้อย่างสบายทับผ้าอาบน้ำโขกหิสันแล้วมัดติดคางเด็กของเลยเลื้อย ต, ตาเดิอนยุกรมอยู่กลางตากแดดนั้นไม่มีร่มไม้เลยนะฟัดเป็นเงิน ม, มันลืมหมด ผิวเมื่อยล้าลืมหมดอมืน้ําท่ามันไม่ได้สนใจเลยลืมหมดเพราะมันไม่มีเวลาที่จะออกมาสู่ภายนอกจิตมันหมุนวันเดียวทิว้เดินนกกรมเนื้อโอ้แต่คนสมมตมีคนมานัอมดูเราเขาจะว่าผ้าอันนี้เป็นบ้าหรือไงพ่อจงว่าคือเดินจิตมันไม่ออกนจิตมันหมุนอยู่ข้างในนิ่วอยู่ดีมันกระโชกซะเทือเข้าป่านะ่ะ โค้งคำปากเขารู้สึกยับตือมาเข้าปากถอยออกมาเดินไปหมุนกันอย่างนี้เร็วเข้าป่ากนู้นอีกอย่างนั้นมันก็เดินได้ทั้งวันนะเพราะเดินคนเดียวนี่ใครจะมาว่าเป็นบ้าอะไรไม่สนใจดีกว่าอืมันโค้มคามันเันแบบมันก็เดินทั้งวันได้บางทีก็ยืนระยะยืนที่เป็นชั่วโมงมันก็ยืนยืนถึงขั้นถึงระยะที่มันจะยืนมันท้งคงไปเป็นทั้งมันเองยืนก็อดพิจารณาจนได้ถอยได้ความชัดเจนแล้วมันถึงจะก้าวเดิน เวลาก้าเดินกันอย่างนั้นนะชนป่าชนนามแปไม่ทราบมันก้าวไปทางไหนขาเดีมันไม่ได้สนใจกับขามันสนใจกับอะไรอยู่กับจิตเนี่ยมันหมนอยู่ตรงนี้หันจะหันอยู่มันก็มาอยู่กับอาหารมันอยู่กับอันนี้เนี่ยในเวลาถึงขั้นมันมันตะลุมบอนมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วมันจะเอาถือไปไหนนั่นฟังซิจะดอาหารจัดอะไรแล้วจัดให้ขกลางจัดอันนี้มันทําหนูนต้องมันเดืองนั่น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 เมื่อถึงขั้นมันเป็นของมันแล้วตามันก็ไม่ถอยคำว่าแพ้มีได้อย่างไรมีไม่ได้ตายเกี่ยวกนั้นไม่ตายให้รู้เท่านั้นมันแข็งกั่งมันดูกับจิตอะไรรูมันหิวมันโหยมันอะไรอะไรมันอยู่กับจิ ต, อออจตพอจิตได้เข้าตะลุมบอนกันน มันลืมไปหมดทีนี้เวลากลับมาที่พักนะ่ะพอ ม, มองเห็นการน้ําผมยังไม่ลืมนะอู้หูมันจะโดดจากการน้ํำเลยนะมันจะตายลิ้นน้ำจะจะไม่ไม่ทันนะพอใส่เขไปดื่ ม, ม ส, สำลั ก, ก, ก, ก, ก, กมันจะตายโอ้โหมันหิวขนาดนั้นนะบุรามาเห็นการน้ำรํำบวชไปทำโมเบียนอยู่คนเดียวไม่เห็นต้นแต่ มันาทีเท่าเห็นการน้ามองเห็นการน้าเท่านั้นแหะมันจะโดดเข้าไปเลยเลยมันจะตายอ่ะพอดื่มน้ำเข้าไปนี่ก็มันเกินด้วยควา ม, อ, ม อ, อยากความหิวจะตายมันเกินไปจะไม่คนไม่อัานา้นท <eri> ี่สำลักน้ำกักัดกัดกัดกัดกัดคนจะตายไม่ลืมเลยเวลามันเป็นเต็มที่มันอย่างนั้น มันก็วิโตวิจารนี่อย่างนี้เราคิดไว้ว่าจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรความภาพเพลียนก็จะค่อยสะดวกสบายงานการก็จะแคบเข้าไปแคบเข้าไปสะดวกสบายก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยทำไมมันจึงเป็นอย่างนี้นั่นดูที่ความคาดความหมายเราคาดหมายกับความจริงมันเข้ากันได้ไหมล่ะเราคาดว่าอย่างนั้นเราคิดว่าอย่างนั้นจิตมีความละเอียดเข้าไปเท่าไรยิ่งจะมีความสะดวกสบายเรื่อย วางั่นนะแต่ขั้นแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยสี่เหลี่ยวกับตะไลมันนิ่งหมูนในงานหมนหมุนติ้วติติดีติ้จนเด็กคิดว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดหยิกกระโงที่ถืให้สะดวกสบายทีน้ะทําไมต้องตื่นขึ้นมาถึงกระทั่งหลับจนถึงหมุนกันติ้วติติ้บางคืนยังไม่หลับซะด้วยซ้ําไปมันอนเองเมื่อไหร่มันจะมีความสะดวกสบายทีน้า มันลําพึงขึ้นชั่วขณะเท่านั้นนะพอหยุดที่ปั้มกับหมุนตีอยู่แล้วหมุนตีอยู่แล้วงั้นจนกทั่งมันไปหมดกําลังมันแล้วไม่ต้องหมอที่มันหมุนตีอยู่เลยมันหยุดทั้งมันเองแบบสู้ๆซาๆจริงๆทำไมเป็นอี่างนี้ทีนี้เป็นอย่างนี้หรือเนี้ตีปัญญาที่หมุนตีอยู่หายไปได้หมด หาหมดหายทั้งสองอย่าง อ, อันสิ่งที่ต่อสู้กันก็นไม่ทราบไปไหนผู้ต่อสู้ก็ไม่ทราบไปไหนไปด้วยกันนั้นก็ช่างเถอะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้การต่อสู้ก็ทุกข์หาสิ่มาทําให้ทุกข์ น, นั่นเตยนกงสือสือสาสากัน เห็นจรินขาเล่นกินขาเยอะนกก็เล่นกับนกไปเยอะสัตว์ตัวไหนก็เล่นกับมันไปเยอไปงั้นใช่ไม่ใช่เดิยนยุ่งโง่ไปก็ไปยืนดูพิจารณาสัตว์เหมือนกันมันหลัมีเรื่องของมันนะไมนใช่เป็นแบดเจอร์หรือกิดูจิต ด, ดวงนี้นั่นมันยังเขากินนะมันเป็นไในทุกอย่างอํานาจของธรรมชาติอันนี้มัน ฝังไว้หมดไปกับอำนาจไว้หมดไม่ว่าจิตสัตว์จิตบุคคลจิตตัวสัตว์น้ำสัตว์บกลมฟ้าอากาศกายทิพย์กายหยาบกายละเอียดจิตละเอียดกว่านั้นพิเรย์ละเอียดกว่านั้นมันติดพันกันไปได้นีนะคิดด้วมันเองนะมีเท่า น, นี้ ตัวมหาเนี่ยคุณยังไงเอาอย่างนั้นเลยอันนี้บัญไล่มาแล้วไม่มีอะไรมาเกาะไปอยู่ไปเรื่องได้อะไรองการอยู่อเมือ่อแช้งมันก็ะบียดแต่เราจะไม่เกิดมึงเจ้าใครจะเอ า, าเอาือเอาิเอาเอาแจ้งไปเป็นสมบัติของตนได้ใครจะเอาดินฟ้าอากาศแผ่นฟ้าแผ่นดินนี้ไปเป็นสมบัติของตนได้เนี่ย วัตถุทั้งหลายที่มองเห็นเกลื่อนอยู่เต็มโลกเต็มสารใครจะเอาไปเป็นสมบัตของตนได้เนี่ยมันเป็นต่างอันต่างมีต่างอันต่างที่อยู่ตัง้งเราเราประวัต า, าติ์ของมันของมันอยงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรจนเรายังไม่เกิดอืมาแล้วมีแต่ อ, อันนี้เป็นเป็นบังคับให้ อ, อนืนั่นเป็นนอนนี่เป็นของเรากว่าต้อนเข้ามา จะ ต, ตายยังไม่ว่านะถ้าเป็นแบกก็หลังหักแล้วงั้นจะแบกตะพัดตะผือไม่ยอมว่าหนักที่เหลือมันไม่ไม่ยอมให้ว่านหนักมันบงังคับผมเพราะงั้นมนุษย์เราจริงโลกมากมรู้จักตายคือมนุษย์พอพูดตามโลกสมัยยุคทั่วไปก็ว่ามนุษย์นี่ฉลาดกว่าสัตว์้อพูดตามหลักธรรมพุทเจ้า อย่างแท้จริงเพื่อจะปาดที่เลนแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์นี่ช้าได้คล่องตัวที่สุดที่เลนช้าได้คล่องตัวที่สุดทื่เลนเรี ย, ยสอนได้ง่ายกว่าสัตว์ทั้งหลายอมนุษย์นี่โง่กว่าสัตว์ทั้งหลายาไปอันนี้ไปอันนีควรจะฉลาดเนี่ยยัง ก, กาาลับก็ทามโนความฉลาดของมันมาใส่เข้าไป ควเจะเ อ, เอาความฉลาดของธรรมเข้าไปแทกแล้วมนุษย์นี่มันยังไม่ได้เลือกเลยมันแย่ไปแล้งสู้สัตว์ทำไมได้สัตว์ก็ควรอยู่ตามปภาษาศาสตรสก์ก็เป็นอย่างนมนุษย์ตอนนี้นะมันควรจะมีความฉลาดเพราะตามหลักธรรมชาติมนุษย์ก็ฉลาดอยู่แล้วควรจะหาความฉนาดอันแท้จริงอันถูกต้องอันเป็นสาระกลุ่มเข้ามาแทก ห, หัวใจบ้างอันนี้กลับไม่แทก กลับออกความฉลาดอันนั้นเข้ามาครอบเชื้หมอะโลกก็ไม่เกินไม่มีใครเกินมนุษย์โล ก, ก, ก, กมันจนจะจะของจะตายยังไม่รู้ตายแล้วก็ไม่สราวาเอาอะไรไปอินรานราะะาาาียเนตตาร่างนี้กูเขาจะเผาไม่เผาสังไม่สังทิ้งไว้งั้นแมลงวันมันจะมาใต่มาตอนนล้วมันก็ไม่มีทางที่จะได้ตปแล้ว นีน้ำมันถึงฐานนองมันโอ้ธรรมชาติ น, นี้มันเอียดจริงจริงน่อาจรู้มันได้เลยตามันก็วิชาธรรมไม่เห็นมีวิชาธรรมเท่านั้นที่จะมองเข้าไปเห็นมันแล้วทำลายมันได้โดยลำดับ จนกรทั่งสิ้นซ่าไปมีธรรมเท่านั้นการภาวนาก็มันก็มีเครื่องเกี่ยวข้องหลายประการที่จะให้ความสะดวกก็มีให้ความขูดขากก้าวให้ออกก็มีจิงต้องใช้หลายสันหลายคมเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่งั้นก็จะไม่รู้เรื่องนี้เราหนึ่งวันฝ่าวันต่างู้สึกจะอุดมสมบูรณ์ปัจจัยทั้งสี่อาจะว่า อุดสมบูรณ์นะ้่ไม่ผิดเราพูดได้เต็ถ้าเพราะเคยไปมาแล้วนี่ถ้าว่าเราไม่ไม่เคยเรามาเจอเดียนี่ทีเดียวเราก็ยังไม่กล้าพูดว่ามันสมบูรนี่เราก็เป็นนักท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยแล้วเคยอยู่กับครูวายจาันท่านพาปฏิบัติมาแล้วหนึ่ง ยิ่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขานโอ้โหเวลาท่านเล่าให้ฟังแต่ไปมันไปสัมผัสท่านถึงเล่านะไม่ใช่ท่านไปมาเล่าเฉยๆนะเวลาพูดไปสัมผัสตนะ้องเกิดความโูตรสองเงินเหล่าแต่บางแทนฉันทหารที่เป็นเดือนนะฉันเข้าป่าเงินท่านว่าพราเขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานนี่ฉันแต่ถั่วแต่งาไม่ฉันไม่ฉันป่าไม่ฉัน เขาก็มีถั่วมีงาเขาก็เอาตะข้าวเปล่าให้ฉัน <c oughs> เขินพูดเราก็ฉันนั่งก่เราหาอย่างนั้นฉันว่าเนี่ยภาวนาดีตัวเบามันจะกินได้มากอะไรมีตะข้าวเปล่าเหนว่าว <c oughs> นาตัวเบาเหนอบางทีไปเข้าไปเดินจากวันนี้ไปบ้านนั้นไปหมู่บ้านนั้นตะก่อนบ้านไม่ได้เป็นอย่างนี้ <c oughs> เดินตั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้านว่าง หลงทางทางหงช้างโอยนอนมัจมอยู่ในปา่านะดบางทีไม่ได้กินข้าวของม่ีแล้วก็เคยอดอยู่แล้วถุกที่ตุก์กี่ตุอะไรเนี่ยฟังสิเราต้หาภาวนาด้นะ<ม>วยเราไไม่ต้องหาตรงบนจังหวะความกังลเรื่องี่เลสเราจะฆ่าี่เลสไปกังวลมันอะไรจังวะไปอยู่ในป่าเนี่ยเาอดอดอยากอยากทั้งนั้นแหละ นี่ทำท่านสิฟังสิท่านผ่อน้ําท่านจิตใจสงาผ่ า, าเผยเนี่ยทําเจริญในที่โอนยากขาดแคลนไม่ไดเจริญในที่สมบูรณ์ผูนผลอะไรหรือไม่ได้ติดใจสีซึ่งเป็นเครื่องเพียงอาศัยได้ล ก, ลกลายเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาทําลาย จ, จิตใจเราให้เราให้แหลกไปได้ สานการฝึกฝนแบรวมเรื่ของจึงต้องมีการละความลำบากลำบนโดยที่อยู่ที่อาศัยบ้างเนือปัจจัยเครื่องอาศัยบ้างด้วยความเพียงบ้างบวกกันเข้าก็ต้องทุกเพราะหนีจากทุกเอาทุกแก้ทุกให้ทุกอหนึ่งเป็นทุกกิเลสสร้างขึ้นมาทุกอันหนึ่งเป็นทุกเกิดขึ้นมาเพราะทำเพราะการบําเพ็ญธรรม ฝ่ายนี้ได้เป็นผลดีฝ่ายนี้เป็นทางให้ประเสริฐเป็นทางให้ดูดป้นยอมรับทุกทางนี้มากกว่าจะยอมรับทุกทางนั้นอย่างนั้นที่ผู้ปฏิวัติต้องคิดเยกคิดเยะหลายสันหลายขบเรียกว่าปัญญาไม่งั้นหาทางออกไม่ได้มลยปัญญาเป็นสัมพันธ์นิ เ, เปลี่ยนแปลงหลายตลบทบตวน ไปยิงลอยหลอเข้าไปแล้วหล่กเขไปตวุวัพระกรรมาฐานโดยเป็นตาเนานไปขายในตลาดลาดเลีในเมืองใหญ่เมืองหลวงเข้าไปนะของจีเรกถ้ามันมีในจิตแล้วมันลืมตัวง่ายๆคนมานับหน้าถือตาเขาลบมลมใสเลยลืมตัวเส้นินเหนียวติดหัวว่าตัวมีหงอนไปแล้วนะ นี่มันตายผู้เห็นทมเป็นของแปลกประหลาดอาจารย์ภายในจิตใจแล้วท่านไม่หลงท่านไม่ตื่นมีแต่หาสุวิธีการหลบหลีกปีกตัวเท่านั้นจงกระทังผ่านพ้นไปได้แล้วนั้นก็ยิ่งรอบครอบควรจะสงเคราะ ใครมากน้อยอย่างไรท่านก็รู้ประมาณของท่านเองทำไมหลงท่านไม่ตื่นเพราะฉะนั้นแล้วท่านเป็นผู้แน่นอนร้อยเปอร์ในการปฏิบัติต่อทุมชนประชาชนหนักเบามากน้อยอย่างไรท่านรู้ด้วนเองท่านาไม่ถือใครเป็นประมาณท่านถือธรรมเป็นประมาณ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 ในสติกาลังอย่างน้อยสมมติหาว่ายสําเกจดูเจ้าของให้ดีนะสิ่งเกี่ยวข้องของเจ้าของมีอะไรบ้างทําให้คืออาดเหนื่อยนายทำให้ล่าช้าทําให้ไม่สะดวกสบายในกิตตภาวนามีอะไรบ้างถึงจะทุกข์ก็ทนเอาเ ม, มื่อเจ้าของรู้เจ้าของว่าสะดวกในแง่ใดทุกข์ก็ต้องยอมทนเอาบ้างเป็นธรรมดาไา่งั้นมันไปไม่ได้ เพาะกิเลสมันรอบบ้านในหัวใจเราขยับอกช่องไหนส่วนมากมีแต่กิเลสทั้งท่านเมื่อสติปัญญา ย, ยังไม่ถันมีแต่กิเลสแต่เราไม่รู้่ามันเป็นกิเลสหรซี้แต่เมื่อสติปัญญายถันมันถึงจะรู้และรู้นะเยียบมาตรงไหนมันรู้ฟันกันแหลกฟันกันแหลกไปเลยเมื่อถึงขั้นมันรู้แล้วปิดไม่อยู่จริงๆ มันจะออกมาเง่ไหนมันรู้กันทันทีกันทีกันดีฟาดกันฟันกันแหละแหลกแหลกจนกระทั่งมันมอบอย่างว่างูหมอบแล้วยังไม่แล้วยังต้องคุ้ยเคี่ยวห้ยไม่อยู่ไม่ถอยที่เมันหมอบกับกลัวมันหมอบหลบฉากนั่นแหละอย่าเข้าใจมันกลัวเราเลยมัหมอบหลบฉากถามที่หลือเป็นนั้นฉากธรรมะเป็นไงนมตามกันจนเจอกัน วาดกันเรื่อยหลายช่างหนุ่มสุดท่านเจอปู่ย่าพญามาสี่วิชาพญาสั้างข้าวลเอาแหลกนะเจ้าโคตรันหมดแล้วมันก็เท่านั้นแหลเอาหมดเจ้าโคตรแล้งโคตรยังมีอยู่แต่ลูปแต่หลานมาเรืยเพราะมีโคตรนี่วะมีโคตรมีแส่เอามันแหลกทั้งโคตรทั้งแส่แล้วหมดปัญหา สบายแสงสว่างสนุกดูกิเลสทีนีมันไม่มีสมมติมันไม่มีในหัวใจเรามันก็มีอยู่ในสัตว์ในบุคคลไปไหนมันจะเห็นหมดเกลื่อนอนั่นมันแสดงกิจยาท่าทางอะไรออกมาปิดไม่อยู่เห็นหมดรู้หมดนอกจากจะพูดหรือไมพูดเท่านั้ น, นะอะ น, นี้ก่อนความต้องสารก็เป็นขึ้นมาพร้อมกันบางคนหนึ่งไม่รู้คนหนึ่งรู้ นอนอยู่ในถ้ำเสือเสือคาราม ห, รหือมว่าเพราะว่าคนล็อกเพลงให้ฟังพวกเราพวกไปนอนอยู่ในถ้าเสือเสือคำรามมันจะกืนหมดทั้งตัวยังอ๋อเพนไพล่เพราะพิ้งมากนะเพนนี้มาจากไหนน่าอืวเพลงไงเสือมันกําลังหันหอมหันกระเทียมเหนื่อยกระหึมกระหึม ยังเข้าใจว่าพอร่องเขนให้ฟังอขีเลศมันกรอบคนณกรอบอย่างนั้นอะไรเนเรืรอรอ่องท่านพญามีอะไรจะพูดให้บุมฟุ้นฟังไหมตอนที่บมพูดนี้มีบ้างป่ามีก็พูดนะลืมไปแล้วว่าเอาละไม่จะไปทําทีนี่ก็ดีมีแล้วก็พูด